โยมมักนาโยคถามว่าต้องปลมมาไหมไม่ต้องอกะเนาะเสียเวลาปลุมจะมาพลมไม่มาเรื่องของปลุมหลวงพ่อ ม, ม, มาแล้วก็เติดเทศแล้ววันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาพบกันในงานศพของหลวงตาคดึกที่เคารพที่รักที่ศรัทธาของพวกเราวันนี้ท่านแสดงธรรมให้เราฟังนะ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 ไม่ใช่เห็นได้นานๆนะอย่างมานั่งฟังหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อเทศสิบนาทีไม่ใช่พวกเราเห็นหลวงพ่อครั้งละสิบนาทีถ้าเราตั้งสติเรามีสติดูเราจะเห็นเลยว่าตาเรามองเห็นรูปนี่เห็นชั่วแวบเดียวไม่เชื่อลองหันไปดูคนข้างๆนะเราจะเห็นหน้าเขาชัดในแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะเบ ล, อ, เลอไปละใช่ไหมตาเบเห็ น, หหนแล้วก็เห็นชั่วคราวหูได้ยินเสียงเสียงสูงเสียงต่ําครื่นเสียง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 ยังเคยหายใจสบายๆพอคิดถึงการรู้ลมหายใจก็เริ่มบังคับลมหายใจเนี่ยนะเพ่งเพงเพ่งนะบังคับเพื่อให้ใจมันนิ่งๆบังคับกายบังคับใจเลยทากายทำใจให้ลาบากแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนให้ทำแต่ท่านสอนว่าอย่าทำแต่พวกเรานักปฏิบัตินั้นชอบทำที่สุดเลย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 ในการที่เรามีาสติรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเนืองเนือ ง, งรู้ไปมากๆนะเจวันเจเดือนเจปีรู้อย่างสบายๆอย่าไปเพ่งใส่มันให้มันนิ่งนะแล้วอย่าลืมมันครรู้สึกกายรู้สึกใจกายกระใจนั่นแห ล, ละจะแสดงไตรลักษณ์จะสอนธรรมะให้เราดูจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะเห็นแต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เห็นแต่ว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกแลนะมันไม่ใช่ตัวเรานะทั้งกายทั้งใจ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 อย่างเราอยากจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเนี่ยเป็นความอยากที่ไรเดียงสาอยากให้ไม่ทุกข์นี่เป็นความอยากที่ไรเดียงสาใช้ไม่ได้เดี่ยถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งในกองทุกข์ในกายในใจนความอยากมันจะดับไปเองแล้วก็ถ้าเป็นพระรหัสนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกดับแล้วดับเลยของพวกเราก็ดับแบบปลุพลุโหลบโผล่ล Napole. ดับไปแล้วแต่เดี๋ยวก็เกิดใหม่เดี๋ยวกนะ็รู้ทันก็ดับไปอีกถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบงําใจให้เรา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 พระเจดียบรรจุอัติธาตของท่านผู้ภาวนาดีๆอย่างนี้มีไม่มากหรอกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสนะเราก็ช่วยกันสร้างไม่ใช่โอกาสอย่างนี้จะมีบ่อยๆนะหลวงพ่อก็ช่วยนะถ้าเราพักเพียร น, นะเราวันหนึ่งเราจะได้มีความสุขเหมือนท่านเจอท่านนะท่านมีความสุขนะใครใคๆเจอท่านยกมือให้ดูซิอโอ้รู้เจอกัน จะเจอทั้งนั้นเลยนะปรากฏว่าคนกรุงเทพยกมือแนะล้วคนสุรินเฉยๆทำไม้ขายหน้าอย่างนั้นนะภาวนาเอานะวันหนึ่งจะได้มีความสุขเวลาเจอท่านนะท่านจะโอ้สดชื่นจิตใจท่านสดชื่นนะมีความสุขร่างกายท่านนะแก่เท่าหาความสุขไม่ได้หรอกแต่ใจท่านมีความสุขพวกเราก็มีโอกาส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 ยะถาวาริวาฮาปุราปริปูเรนตีสักขรางเอวเมวัยโตดินัางเปตานางอุปกะปติอิชิตังพฏิตังตุมหังจิปเปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปะจันโทพันนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสพีตีโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภิวาทานาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารธรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุแปลว่าดีนะจะดีได้ต้องทำนะเป็นสาธุเราไม่ได้อะไรหรอก